ขอความสุขความเจริญจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเียงทําจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องกามาสูตรทื่ต่อจากจากที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนมีข้อที่น่าสังเกตคือพระสูตรที่ชื่อว่ากามาสูตรเนี่ยปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มต่างๆหลายสูตร ข้อความส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงโทษของกรรมแต่ว่าจะแสดงจากเหตุที่แตกต่างกันออกไปในอุทานนั้นได้แสดงไว้สองสูตรัรท่านยังเรียกว่าวัธมกามสูตรและทุทิยากามสูตรพระพุทธอุทานที่ทรงเปล่งประรบเหตุการสองเหตุการณ์นี้ ก็มีความแตกต่างกันในด้านภาษาแล้วก็เหมือนกันในด้านเนื้อหาคือเป็นการชี้ในกลุ่มของทุกข์กัสมุทยัยเพราะวัตุกรรมนั้นก็เป็นทุกข์จิเลสกรรมก็เป็นสมุทยัยอย่างหนึ่งอยู่อย่างหนึ่งก็อยู่นะเรียกก็อยู่ด้วยกันเกิดดับไปด้วยกัน นในใจของคนวันก่อนก็ได้เล่าถึงพระที่อยู่ที่ประเทศตะวันตอนเช้าก็ไปบินธบาตและทางกาสะท้อนภาพของสังคมยุคนั้นถึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นต้นพุทธสมัย เพราะว่าตอนที่นางวิสาขามาุมาวุบาสิกาไปอยู่ที่นั้นเนี่ยพระตาตถาจารย์ท่านเล่าว่าในกรุงสาวัตถีนี่มีพระริยสาวกอยู่เป็นจำนวนมากก็หมายความทั้งแคว้นกาศีกศลนี่นะผงไม่จะพูดเฉพาะในเมืองเพราะในเมืองยังไงคนก็คงไม่มากก่ะไรแต่ว่าในช่วงนี้ท่านบอกว่า คนโดยมากเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายในพระนครสาวกทีโดยมากเป็นผู้คล่องแล้วในกามเกินเวลาเป็นผู้กำหนัดแล้วยินดีแล้วรักใครแล้วหมกมุ่นแล้วพัวพันแล้วมืดมนมัวเมาอยู่ในกาทั้งหลายลักษณะข้อความที่ที่ซ้อนซ้อนซๆไปเป็นแถวในแบบนี้นะคร คือถ้าเราไปศึกษาในปฏิสัมมไยธรมมรรคในจุลนิเทศในมานิเทศก็จะเห็นข้อความแนวนี้เป็นจำนวนมากเป็นอาการเข้มข้นของกิเลสแล้วก็ความสับสนในเชิงพฤติกรรมของมนุษย์เพรนั้นก็นจะทอนออกมาเป็นภาษา คือถ้าเราถ่ายมาเป็นภาพนะฮะมามาเป็นภาพลงในฟิล์มแล้วเราก็ดูด้วยตาเนื้อหนะ้าตาเปล่าหรือว่าทําส โ, โลโมชั่นก็จะเห็นว่าอาการกิริยาเนี่ยมันต่างกันอาการเหล่านั้นนะในสมัยก่อนมันก็สะท้อนออกมาเป็นรูปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกล้องถ่ายรูปวันตั้นก็สะท้อนออกมาเป็นพจน์คือเป็นคําพูด เมืกอเริ่มต้นที่ว่าภาพรวมเนี่คือเป็นผู้คล้องในการมเกินเวลาจึงลักษณะข้องในการมเนี่ยอาการมันก็หลากหลายตามความเข้มข้นของกิเลสวันเวลาคําพูดมันก็หลากหลายการกระทาก็หลากหลายอิริยบทนี่ก็จะหลากหลายเดอย่างที่บอกเนี่ยว่าถ้าเราถ่ายภาพพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้นสมมุติว่าเราข้าไปดามบาตามผา แล้วก็ถ่ายภาพกิริยาการของคนเหล่านั้นในแต่ละมุมแต่ละจุดเนี่ยแล้วเอามาถ่ายสโลโมชั่นดูก็จเจนว่าภาพมันจะแตกต่างกันแล้วท่านสาวลึกลงไปว่าเนี่ยพจิตมันต่างกันเพราะกิเลสปริมาณของกิเลสที่ทําปฏิกิริยาต่อจิตมีความยิ่งความยอนแตกต่างกันท่านก่อเน้นผัดบวงก่อนบอกว่าเป็น โดยมากแล้วก็เป็นผู้คล้องแล้วในกามเกินเวลาเป็นผู้กำหนัดแล้วคือความกำหนัดเนี่ยมันอยู่ที่จิตรเรากำหนดคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณ์นี้ที่จริงเขาก็เป็นกลางๆนะฮะเป็นอัพยากระตะธรรมเราเจอรูปเป็นอันมากที่เรารู้สึกพอใจไม่พอใจแล้วก็เฉยๆรูปส่วนใหญ่เราเจะเฉยๆ สมมติว่าเราทำสถิติเอาไว้นะฮะว่าเราเห็นรูปฟังมเสียงดุ่มกลิ่นลิ้มรสถูกต้องยินยอดนอนแข็งแต่ลักษณะเนี่จิตมันเป็นยังไงอ่ะเราจะเห็นว่ายินดียินร้ายเนี่ยจะน้อยกว่าเฉยๆเพราะถ้าคนมัวแต่ยินดียินร้ายเนี่ยยุ่งหมดนะเดินผ่านก็ต้องแวะคุยต้องแวะท้าตีท้าต่อกันแล้วก็วุ่นไปหมดแต่วมันดีที่มันเฉยๆมันมาก เราสังเกตเราเดินไปตามท้องถนนเนี่ยเราเจอคนเยอะมากๆแต่ถ้าถามเมื่อเขาเป็นใครเนี่ยเราตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่สนใจที่ไม่สนใจเนี่ยเพราะเรารู้สึกเฉยเฉยไม่เกิดสะดุดใจในทางรักหรือทางชังใจมันก็เฉยเฉยแต่ในที่นี้ใจจะเกิดยินดีนะมันกําหนดด้วยความกําหนัดทําไมจะกําหนิดละ่ะ จิตจะกำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องพอเกิดกำนัดขึ้นมาใจก็ยินดีนะฮะยินดีในสิ่งที่ตนมีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นพอยินดีก็จะมีความรักใคร่ปริมาณของความยินดีนี่มันเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นความรักและความใคร่ ความครมันมุ่งตอบสนองความต้องการฮะต้องการของตัวเองแล้วพอความใค่ายเนี่ยมันมุ่งตอบสนองความต้องการตัวเองแล้วพอมีการตอบสนองหรือแม้แต่ยังไม่มีการตอบสนองใจก็จะหมกมุ่นเหมือนชายหนุ่มพอใจหญิงสาวหรือเราพอใจสินค้าในชื่อใดชื่อหนึ่งแบรนด์เนームยี่ห้อใดยี่หอหนึ่งเนี่ยจิตใจเราก็จะหมกมุ่นอยู่ในเรื่องเหล่านั้นจากนั้นก็จะมีการพัวพัน์ ไปไปมามามามาไปไปนะหมกบุญคุ้น ค, คิดมีภาพสภาพก็ดูแล้วดูอีกเสียงสักเสียงก็ฟังแล้วฟังอีกอย่างเวเ น, นี้ก็โทรศัพท์กันไปโทรศัพท์กันมาสมต่เมื่อเราอัดข้อความที่ชายหนุ่มหญิงสาวก็โทรคุยกันเนี่ยข้อความซ้ําๆนะฮะอัดเทปไว้ทุกครั้งแล้วอามาเปิดดูข้อความจะซ้ําเ๋ยวหมุนวนอยู่ในเรื่องไม่กี่ประโยคอะแต่เวลาที่ใช้ไปนี่จะเยอะมาก นั่นคืออาการของจิตพอพัวพันและในที่สุดก็จะมืดมนคือไม่ไ ม, ไมีเหตุมีผลไม่ไม่รู้จักเวลาเวลาแล้วพอถึงจุดเดึ่ก็จะกลายเป็นความมัวมเมาอยู่ในกามทั้งหลายมัวเมานี่ก็เรียกว่าเกือบจบสิ้นไปเลยน ะ, ะครแกไขได้ยากเพราะว่าจิตใจมันสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองอาการมัวเมาเป็นอาการของขาดสติอาการของความประมาท แล้วก็ทำให้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเ่านั้นละเลยทอดทิ้งกิจการงานต่างๆไม่ใส่ใจไม่สนใจในคนอื่นในสิ่งอื่นแม้แต่ครอบครัวแม้แต่ญาติพี่น้องแม้แต่ลูกเมียบอกว่าก็แล้วแต่เรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นยังมีการพูดถึงว่าละครโทรทัศน์ภระยนตร์ไทยน้ำเน่าในที่จริงไม่เน่าหรอฮะเน่าอย่างนั้นนี่ยสังคมมันเน่าอย่างนั้นนะ เป็นการสะท้อนจากพฤติกรรมของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งคนที่พูดว่าน้ำเนาเนี่อาจจะเคยมีส่วนร่วมอยู่ในกิจกรรมแบบนั้นได้ทาไปแต่ว่าเพื่อจะกลบเกลื่อนปกปิดพฤติกรรมในดีของตัวเองก็เลยปฏิเสธไปเลยบอกว่าเป็นน้ำเนาอาการเหล่านี้เป็นอาการปกติเมื่อไรก็เมื่อนั้น น, นนะอาการนี้ทั้งทั้งหมดที่ท่านใช้คํามาทั้งเยอะมากเนี่ย เดี๋ยนี้พระท่านเข้าไปบินธบาตก็ไปเทีบ่บิณธบาติประกอบไปบินธบาตก็เข้าฟ้าประพธธุทธเจา้าแล้วก็กราบทูลเรื่องทั้งหมดเนี่ยข้อความที่ท่านกราบทูลเนี่ยมันซ้ํากับข้อความข้างบนเพราะเป็นการรายงานข่าวรายงานความจริงที่ปรากฏเป็นการรายงานแบบตรงไปตรงมาหมายความว่าที่ท่านเห็นมนเป็นยังไงก็คือ ก็คือรายงานอย่างนั้นท่านรู้ว่าเป็นยังไงก็รายงานอย่างนั้นแต่คงไม่ค่อยเห็นน น, นะฮะนอกจากว่าเที่ยวแสดงอาการอยู่ตามท้องถนนก็อาจจะเห็นส่วนมากก็จะมักจะเป็นการได้ยินคือเล่าสู่กันฟังคือญาติโยมก็เป็นอย่างนั้นเน่ยเวลาเขามีปัญหาหนักๆขึ้นมาเขาไม่รู้จะไประบายกับใคร ก็มาระบายให้พระฟังพอพระฟังแล้วก็ไม่รู้จะพูดใค ร, ใครไม่มีฐานะไม่มีโอกาสไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่จะพูดแต่ก็มีเรื่องราวต่างๆเยอะนะที่ปรากฏเป็นสื่อนี่ที่จริงพระรู้มากกว่าบางทีแต่พระเอาไปพูดไม่ได้เพราะว่าเป็นการได้ยินได้ฟังนะ ตัเนี้ยแสดงถึงรายงานที่เป็นสัจจะอย่างไรคือสัจจวาจาเนี่ยเป็นการพูดตามที่ตนได้เห็นมาอย่างไรก็พูดอย่างนั้นได้ยินมาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นได้ทราบมาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นได้รู้มาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นพรคนพระท่านท่านรับรู้มาอย่างไงท่านก็พูดตรงตัวทุกตัวอะไรก็ความท่านบอกว่าขอประทานพระวรกาปนุษย์ทั้งหลายในพระนครสาวกถีโดยมากเป็นผู้คล่องแล้วในกามเกินเวลา เผู้กำหนัดแล้วยินดีแล้วหมกปุ้นแล้วผัพวพันธุ์แล้วมืดมนมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายเหมือนกันทุกตัวสอนพระพุทธเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วก็กรงเปร่งเป็นพระพุทธฐานงั้นก็ข้ อ, ขอ น, นี้สังเกตนะฮะว่าคําว่าได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้เนี่ย จะ้เห็นก็เห็นด้วยตาได้ยินก็ได้ยินด้วยหูได้ทราบก็ด้วยจมูกลิ้นกายได้รู้ก็ได้รู้ด้วยใจตรงนี้ข้อความที่ที่แปลกออกไปก็คือว่าท่านใช้คำมาทราบที่จริงมันเป็นเรื่องรู้นะฮะคือส่งได้ยินเนะีดยยิงคำกราบทูลของพระ และในขณะเดียวกันพยานของพระองค์ก็กาหนดรู้เห็นความจริงอย่างนั้นแต่ว่าโอกาสที่จะรับสั่งนี่มันไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่จะรับสั่งอย่างในกรณีของเพื่อนนางวิสาขาที่เคยเล่าฟังวันก่อน่ะท่านมาให้รับสั่งก็รับสั่งคือบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าอำนาจเหล่านี้มันก็อยู่อยู่ในตุกคนนั่นแหละ แต่ว่าคนเองไม่พร้อมที่จะจฟังในความผูกพันความรู้สึกต่อระหว่างพระพุทธเจ้ากับผู้ฟังเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะจฟังความจริงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่แสดงยันที่เคยเล่าเรื่องพระรูปปันฑาซึ่งหลงไหลคลั่งไคลในความสวยงามของพระนางเองก็เป็นกนิต h a ปัญญีนะฮะเป็นน้องสาวของพระพุทธเจา้า พระเจ้าก็ไม่เคยรักษาถึงความปฏูล น, น่าเกลียดสุกปรกของร่างกายมารอความพร้อมที่จะฟังแล้วก็ผ่านกรรมวิธีต่งตางๆมาเยอะหลายวิธีด้วยกันจนพระนางรูปพรรณทาพร้อมที่จะฟังเดีย๋ยวพระเจ้าก็ส่งแสดงพระนางฟังตามคิดตามก็เลยบรรลุผลเป็นการ วัดพระพุทธทานข้อนี้เป็นการแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นโครงสร้างของของปฏิปการนะฮะหมายความถ้าอาวิ ช, ช า, วามีสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณมีวิญญาณมีนามรูปมีมสัตว์โลกทั้งหลายก็กเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายแล้วสัตว์ทั้งหลายข้องแล้วในการม คล้องแล้วในกามด้วยทำเป็นเครื่องข้องสมควงเราสังเกตอะการสองกามนะสัตว์ทั้งหลายคล้องแล้วในกามกามนี้หมายถึงวัตถุภายนอกเขาเรียกวัตถุกามก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดลมด้วยจมูกริมด้วยลิ้นถูกต้องในกายตลอดถึงสิ่งที่เราเหนียวนึกตรึกนึกด้วยใจ เรียอีกอย่างหนึ่งก็คืออายตนะภายนอกอาจจะเรียกว่าวัตถุ ก, กรรมอาจจะเรียกว่าบ่วงมานอาจจะเรียกว่าอามิตรอาจจะเรียกว่าเยื่อของโลกอาจจะเรียกก ว, วงดอกไม้ของมานสารพัดเรียกก็คือไม่มีอะไรเท่านเนี้ยโยกข้ออยู่ท่านเนี่ยเราจะเจอบ่อยแล้วก็ไม่รู้จะว่ายัางไงอะนะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีอยกหกอย่างขนานั้นเองรูปเสียงกินรถปรตทธรรมรงค ข้องแล้วในกามด้วยธรรมเป็นเครื่องข้องอันนี้ไม่ใช่อันนี้กิเลสหมนานความกิเลสที่อยู่ในภายในใจของเราเนี่ยเรียกว่าธรรมเป็นเครื่องข้องหมายความกิเลสเหล่านี้เป็นเหตุให้จิตมันคลองแต่กิเลสเหล่านี้ไม่มีจิตก็จะไม่ข้องในกามทั้งหลายมันเราจะเห็นว่าถ้าพูดถึงวัตถุกรรมเนี่ยมันมีพระพุทธเจ้าพระารัทั้งหลายก็พบวัตถุ ก, กามทุกวันเนี่ยนะ มันเป็นของที่มีอยู่ในโลกมันโลกมันเป็นโลกวัตถุ ก, การมนะฮะโลกทั้งโลกเนี่ยเป็นวัตถุการมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีเย็นดอนน้อนแข็งก็มีอยู่ห้าอย่า ง, งนะะที่จริงลักษณะทางอารมณ์ก็คือของเก่าห้าอย่างเนี้ที่เราเก็บไว้ภายในใจก็นำมาคิดเราก็เรียกว่าทำมารมณ์อารมณ์ที่เกิดภายในใจตามปกติก็จะส ง, สงสะแสดงแค่ห้าข้อมันก็ ตรงกลักที่พระพุทธเจ้าส่งสะท้อนสภาพของโลกว่าสูเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกเงียนตราการดุราชรดที่พวกคนข่าวค่องอยู่แต่พวกผู้รู้หาค้งองอยู่ไหมโลกใบเดียวกันเนี่ยอารมณ์เดียวกันสิ่งเหล่านั้นจะเป็นวัตถุกรรมหรือไม่เป็นวัตถุกรรมมันอยู่ที่จิตเรากําหนดอย่าที่กล่าวไว้ในตอนกาอจิตกําหนดด้วยหน้าความคล่ายความคร้มันก็เกิดจิตกําหนดด้วยความรู้สึกเฉย เฉยๆมก็เกิดจิตกําหนดด้วยความโกรธความโกรธมันก็เกิดจิตกําหนดด้วยความโลภความโลภมันก็เกิดคือข้ายความว่าจิตเราต้องกําหนดด้วยอํานาจของกิเลสเป็นเหตุให้กําหนดอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราไม่มีกิเลสไม่มีเชื้อของกิเลสให้กําหนดที่เราเห็นอาหารบางอย่างเนี่ยเราไม่เคยเห็น เราไม่มีเชื้อความใคร่ในอาหารชนิดนั้นใจมันก็ไม่กําหนดไม่มี ค, ความรู้สึกอยากจะรับประทานอย่างมากเนี่ยก็ต้องการได้ชิมดูต่นนั้นเนี่ยทีนี้เมื่อชิมไปแล้วถ้าเกิดชอบมันก็กิกนต่อถ้าเฉยๆมันก็ไม่ไม่กินต่อละถ้าไม่ชอบก็ผลักออกไปเลยไม่เอาแล้วมันการเป็นการวินิจฉัยในช่วงหลัง เพราะนัจรงท่านท่านจึงอธิบายว่าผู้กำํำมอดมัวเมาคล่องสั้นไปติดผัวพันประกอบในวัตถุกรรมเนี่ยด้วยกิเลสกรรมเพราะนั่นจึงชื่อว่าเป็นผู้คล่องโดยกิเลส เ, เป็นเป็นเป็นเครื่องคล่องทีงนี้กิเลสเป็นเครื่องคล่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจะแสดงเรื่องอะไร ในกรณีนี้ทรงเน้นไปที่กิเลสสี่สี่ข้อนะฮะคือทิฏฐิความเห็นความเห็นเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเป็นของเขาความเห็นเรานี้ก็ที่จริงก็ไม่ค่อยแรงนะแต่มันก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆอจนถึงความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นเครื่องคลองเหมือนกัน ก็ยึดติดอยู่ตรงนั้นท่านก็ไม่ไปไหนอะ่ะยอมตายอยู่กับทิฏฐิของตัวเองอย่างความคิดอทอมทานสันชยัยปริาพชาชกมันก็เป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วก็ปักใจขวางใจท่านมั่นใจในทิฏฐิของท่านั่นก็คล้ อ, องท่านก็ติดเพราะในทิฏฐิตัวเนี้ยไอความเห็นตัวเนี้ยมันก็เป็นเป็นวัตถุ ก, การมสำหรับท่านเป็นลักษณะของธรรมารมแต่บางเรื่องในท่านได้ยินมานะะบางเรื่องท่านได้ยินมา แล้วก็ห้องโดยมานะคือความรู้สึกว่าเราเป็นความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นคืออย่างได้ยกตัวอย่างว่าแม้ในแวดวงของพระเนี่ยคือที่เป็นสูงสุดนี่คือเป็นพระนะเพราะว่าสงเนี่ยบวชให้ในพระนามของพระพุทธเจ้า คล้ายๆกับทํางานในพระปรมาภิไธยของรบาสุเดลพระเจ้าจู๋หัวผลปริภูภาวะานี้เป็นการได้สูงสุดละต่อมาเราก็ได้สมรรษะเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูเป็นอะไรก็ว่าไปอ่ะแล้วจริงๆนี่เป็นพระสูงกว่าแล้วเสร็จแล้วพอเราเป็นคือเราสับสนเราเนึกว่าเป็นเจ้าคุณเนี่สูงกว่าเป็นพระเลยก็ให้ความต้องการแก่ความเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูแล้วก็ยึดถือในความเป็นของตัวเอง บันทีก็ละเลยก็เลยพันอายุพันศาแม่ความเคารพกันตามอายุพันษาก็ไปกันใหญ่ก็ยังนึกเป็นห่วงอยู่นะว่าถ้าไม่กระตุกเตือนกันบ้างเนี่ยมันจะไปกันถึงไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันลาสมัยเยอะนะเพราะว่าพวกอยศักตํ์ตแหน่งฐานันดรนเนี่ยก็เลิกกันไปเยอะแล้วในส่วนต่างของโลกเนี่ย เราก็ยังหมกมุ่นกันอยู่ในเรื่องเหล่านี้และในทีสุดมันยึดติดในความเป็นคืออย่างที่บอกว่าสมรริ์กั้นมีคุณอ น, นันต์ถ้าเราใช้เป็นเพราะว่ามันมีที่เยียบเพื่อจะปฏิบัติภารากิจมันได้สถานะมันไดหน้าที่มันได้ตำแหน่งมันได้งานได้อำนาจไดหน้าที่ได้ตำแหน่ง แล้วก็ไปที่ยอมรับของสังคมเพราอะไรมาณตัวนี้จริงใช้และเป็นคุณนะครับมาณว่าเราเป็นราชาคณะก็ได้รับภาระมาจากบ้านเมืองภายใต้พระบรมมภิดพไทเราทำงานสองสองระยะหน้านะทำงานภายใต้พระพุทธโอวาทหรือพระพุทธานุศาสนี เราทำงานภายใต้พระบรมราชองค์การมาราธนาก็เป็นได้เป็นเป็นได้เป็นกประโยชน์เพราะว่าคำมาราธนาเนี่ยบอกว่าขอพระคุณโปรดรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภระราสั่งสอนช่วยระงับอธิกรอ น, นุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในพระอารามโดยควรเถิดไม่เล่นนะเนงินสำคัญนะ งานเป็นผู้อนุเคราะห์โลกสืบต่ออายุระศาสนาแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยว่าเบ้นเนี่ยมันเป็นภวะตัณหามันสนองตอบจิตพื้นฐานของมนุษย์แต่าการปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นเนี่ยเป็นสมาวยามะนะเป็นสมาสติเป็นสมาสมาธิเป็นสมาธิิเป็นสมาสังกัปปะมันดาเนินไปตามหลักอรอยิยมัค งทูลกรแสะกิเลสโดยคนทําไม่ก็ได้แล้วก็กลายเป็นปัญหาว่าเป็นไม่ได้เป็นไม่ดีแล้วเป็นเป็นทําไม่ได้ทําไม่ดีทําไม่เป็ น, ปนแล้วก็ทําไม่ชอบมานะตรงนี้จึงเป็นโทษเพราะมานะถ้าระดับโลกเนี่ยมานะว่าเราเป็นพระมานะจนถึงโน่นนี่ยมานะว่าเราเป็นกษัตริย์ แล้วก็ปฏิบัติได้เหมาะสมกับความเป็นกษัตริย์มันก็เป็นสุดยอดนะฮะในระดับโลกิยธรรมเนี่ยพรนะนกิเลสประเภทมานะเป็นเป็นกิเลสระดับสูงเขาเรียกว่าเป็นสังโยชน์เบื้องสูงและโทสะคือความประทุสไาหมายมความว่าใจกำหนดเราไม่ชอบ รูปไม่สวยเสียงไม่ไพยยรเราะกลิ่นไม่หอมรสแม่รอยสัมผัสไม่จัดต้องเมื่อกําหนดด้วยความไม่ชอบเพราะจิตมันก็จะเดินไปในแนวเดิมแต่ว่าแนวที่ตรงกันข้ามกับ ก, กิเลสประเภทราคะประเภทโลภะแล้วก็จนถึงมีอวิชชาถ้าจะลืมมากกิเลกก็แล้วแต่ท่านจะยกมาในในที่นี้พระรตถาจารย์ท่านยกมาสี่ข้อ พอมาถึงอวิชชามันก็ครุบหมดละหมายความมาอาการข้องติดเนี่ยกิเลสทุกข้อในข้องติดทั้งหมดชื่อยังไงก็ะชังข้องติดแต่ว่าข้องติดด้วยรักหรือด้วยชังหรือด้วยหลงก็แล้วแต่อวิชชาเป็นอาการมืดบอดในเชิงเหตุผลมืดบอดแรงๆก็ไม่รู้บาปบบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วสิมเจริญไปเลย แต่โครงสร้างหลักเนี่ยคือไม่รู้ในหลักของอริยสัจสี่ไม่รู้ในอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตในกฎของปฏิจจาการหรือกฎของปฏิจจสมบัติตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่เป็นข้องใหญนะ่นะฮะเพระถึงยุหนึ่งเนี่ยมันไปข้องอยู่ที่สังสารวัตรอย่างพระนาคามีเนี่ยเราจะเห็นว่าทิฏฐินีท่นละได้นะโทสะทันละได้มานาอวิชชาทัานยังละไม่ได้ แล้วก็เป็นการคล่องอยู่ระดับสังสารวัตรเพราะว่ามีกิเลสเป็นเหตุให้คลองอยู่แต่จิงท่านก็ไม่ยึดติดในวัตถุการมแต่ว่าติดในสุขเวทนาเหมือนกันท่า น, นจึงบอกว่าการที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะว่าความไม่เห็นโทษตามปกติแล้วมันจะมองเขาเรียกอัาถะคือมันน่ายินดี มองด้วยความกำนัดและใคร่พอใจยินดีเพราะกินดีมันหลับหูหลับตานะ่ะมัคล้ายกับหมีกินกินน้ําผึ้งไงนะหลับหูหลับตากินเลยมันติดในรสหวานฮะเลยไม่นสนใจการต่อยของผึ้ง่ถามว่าเจ็บไหมมันเจ็บอนะ่ะแต่มันรสหวานมากกว่าในความรู้สึกของผึ้งนะแต่เราเจ็นว่าพอหวานเลยลำพอไปแล้วมันก็ไม่หวาน แตรอยเจ็บในแกนกินน้ําผึ้งอิ่มแล้วเนี่ยรอยเจ็บยังอยู่เพราะในแง่ของวัตถุ ก, กามมันก็เป็นอย่างนั้นว่ากรรมนั้นไม่ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีสุขมันมีสุขแต่ว่ามีทุกมากกว่าปัสกาดาดูค่กากรร ม, มาอิติวิญญาญะปัน่นดิโตบัณฑิตรู้ว่ากามนี้มีสุขน้อยแต่ก็มีทุกมากภาพนี้มีกินน้ํำผึ้งเนี่ยชัดนะ และก็คลางไปด้วยความเจ็บด้วยนะแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกพอใจในรสชาติอร่อย mm hmm. ไม่มีความคิดในลักษณะบุรกรบุญาน์คือแยกส่วนไปเลยเจ็บ mm hmm. เป็นเจ็บนะตายเป็นตายได้ขาไว้ได้กินด้วยกัน mm hmm. และนั่นคือลักษณะของการไม่ mm hmm. เขาเรียกว่าไม่เห็นโทษโทษเนี่ยมันมีอยู่หลายระดับ มันมีโทษทุกจุดแหละเกิดขับได้อย่างเป็นโลกที่จริงมันมีโทษทางนั้นเรียกาอาธีนบเรออาทีนวาวะเนี่ยมันเป็นโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเช่นสมมติว่าโทสะเนี่ยก็เป็นโทษใจมันร้อนโมหะมันก็เป็นโทษนะใจมันคุกบุญถ้าเราเทียบโมหะแล้วมันเหมือนกับไฟแกรนะ ดูไม่เห็นเป ล, ลว้าแต่ลองเหย่เท้าไปดูร้อนอย่างแรงเลยเพราะกิเลสประเภทโมหะนีโทษเขามากแล้วก็คลายได้ชากจะเห็นโทษได้ยากนะเห็นโทษได้ยากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เหตุผลไม่ได้ใช้สติปัญญามีความคิดบางเรื่องเนี่ย เมื่อก่อนนี่มีมเด็กเ้ามานเล่าถึงพ่อเขาไม่ยอมไปไหนนะลูกรับปริญญาก็ไม่ยอ ม, มาถามว่าทำไมจึงมาไม่ได้ไม่มีใครเลี้ยงวัวและก็ปรากฏว่าแกไม่ยอมไปไหนเป็นห่วงวัวก็ยังนึกว่าเออคนเนี่ยบางทีก็ประเมินค่าตัวเองต่ำไป คือวัวนี่มาที่จริงก็ไปจ้างเด็กเลี้ยงก็ได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมีความสาคัญกว่าแต่เราจะไปสละเรื่องส่วนใหญ่เพื่อเรื่องส่วนน้อยเนี่ยมันไม่ได้หรอกเวลาเรามันก็ทําได้อย่างเดียวในขณะเดียวเนี่ยแต่ก็บอกรบคุณหารดูอะไรมีความสำคัญกว่าเราต้องสละอย่างหนึ่งเพื่อไปทํางานอีกอย่างหน้่เมื่อก็งานบางอย่างอย่างงานของพระเนี่ย เจะ บ, บุรการนิมนต์ไปสวดมนต์ชั้นเพงต่างจังหวัดเนี่ยโอ้มันพอนะเรียกไม่สาหัสสาการจริงๆแล้วก็ไม่รับมันรับไม่ไหวอะ่ะเพราะสวดมนต์แค่สามสิบนาทีหมดเวลาไปวันนลยไม่ได้ประโยชน์อะไรอะ่ะเพราะใครก็สวดได้เออแต่ถ้าไปบรรยายอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเผยแผ่ธรรมะ แล้วกลุ่มเป้าหมายกาน่าสนใจเนี่ยเอก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพันทึงข่าวต้องเลือกญาติมาเองนี่ติดอยู่ที่วันเสาวันอาทิตตลอดมาตั้งแต่ปศสองพันห้ร้สิบเจ็ดนะไม่ได้ไปไหนอ่ะแต่ในบางการณีที่ออกไปข้างนอกมีความสําคัญเราเห็นว่าคนได้ประโยชน์จากการไปของเรามากกว่าเราอยู่ที่วัดเราก็ไปนะก็ให้ลูกศิษย์เขาช่วยที่วัด เพราะเวลาเดียวกันเราก็อยู่สองแห่งไม่ได้รายการความคิดอย่างเนี้ยมันก็มองเห็นคุณเห็นโทษเอามาเทียบเคียงก็มีคุณด้วยกันแล้วก็ดูอะไรมีคุณมากกว่าพอ ม, มีโทษเดียกันกระดูอะไรมีโทษมากกว่าไอ้โทษมากกว่าก็เวน้นคุณมากกว่าก็ประพฤติปฏิบั ต, ติเสียสละเพื่อเรื่องเหล่านั้น แล่วตามปกติการมองแนวนี้เนี่ยมองที่หมกมุ่นอยู่เกินเวลาที่พระท่านว่าเนยคือแกไม่ได้มองแกมองในเงี้ยอัศทาะาาคือความยินดีอย่างกินเหล้ามองเหล้าไม่ได้สติเนี่ยเนี่ยอะไรก็พูดว่าต้องดื่มถอนถอนความเมาก็เป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็เป็นความคิดที่แปลกผ่านโทษของรามายกหยกเนี่ยมาดื่มต่อ บอกว่าดื่มเพื่อถอนโทษแล้วก็กลายเป็นติดเราเห็นคนมีพิษุรณาเรื่องรังมีอะไรแต่อะไรมันก็ไม่เห็นโทษมันก็รียกอัศวะเนี่ยพอไม่เห็นโทษเราก็ไม่คิดจะออกก็เรียกว่า น, นิสรณะนะคือหาทางออกมันเป็นโครงสร้างลีสัตตินะฮนะเราเห็นว่าเป็นโครงสร้างลีสัตติคือทุกเนี่ยมันเป็นโทษ แต่ว่าเรามองในเงี้ยยินดีทีเรียวอิถากันรามนาปารุปาสดาการธารสาุพตปาโลเกปิยะรูปังสารูปังรูปเสียงกินรถพตภะธรรมรมนาไคลนาปราธนานาพอใจกำนัดเพลิดเพลินชชมยินดีอยู่กับเรื่องเ่านน้นก็ไม่ยอมคิดอ่ะไม่ยอมมองในมุมที่มันเป็นโทษไม่ยอมมองในมุมที่เทียบเคียม ไม่ยอมบุญ ม, ม, อมองถือว่าการลงทุนแล้วก็ผลที่ได้จากทุนที่เราลงไปวพระันพอคิดไปคิดมาเนี่ยเราเห็นว่าวิธีมองแบบพระโพธิสัตว์เนี่ยคือถ้าไม่ได้มองไม่ได้มองชาตเดียวมันมองเป็นวงกลมเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายกลายเป็นการหมุนวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดซ้ำซากไร้สาระเระฉันจึงหาทางออกในลักษณะออกสุดๆได้ ออกในแนวที่ไม่ยอมย้อนกลับแล้วบางคนมีศักยภาพไม่เหมือนการร้านเวลาสอนก็จะส่งสอนในแนวที่ว่าออกจากทุกได้มากเท่าไหร่ก็ดีเราพยายามลดกิเลสเพื่อออกจากทุกได้ก็ไม่ถือว่าออกได้สุดๆหรออกเท่าที่ออกไปได้จะมีการเรียงบุญไว้เป็นระดับระดับไปตามพื้นฐานของคนฟังที่จะปฏิบัติปฏิบัติได้ ทีนี้โทษที่มปนลึกเนี่ยเขาเรียกว่ามีวัตตะเป็นมูลวัตตะก็คือการหมุนดูด้วยกิเลสกรรมวิบากเนี่ยกิเลสกรรมวิบากเรียกมีวัตตะวัตตะก็คือกิเลสเป็นรากงาวที่หมุนพอกิเลสก็มีกรรมกรร ม, ก, รรมก็มีวิบากมองสารลึกจนถึงว่ามีวัตตะเป็นรากเง้าวของของโทษทั้งหลายเนี่ยทางการมองโทษเวลาเกิดเกิดขึ้นในชีวิตของตนอย่างพระอาจารท่านมองเนี่ยถ้านไม่มองอย่าเรามองอ่ะ พราจท่านบอกเป็นโทษของวัตถะหมายความปัญหาทั้งหมดถ้าเราไม่เกิดมาไม่มีปัญหาพอดีเราเกิดมาเลยก็มีปัญหาทีนี้เพราะว่าการที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามองเป็นด้วยความยินดีเพราะว่าทําเราเนี่ยมันมันประกอบสัตว์ไว้ในภพมันคกล้ใกลกับกล่อมนะฮะคลกล้ใกลกล่อมจิต แล้วก็ทําให้ให้เรายึดติดอยู่ในตรงเนี้ไปไหนไม่ได้เพราะแม่กรมจิตเนี่ ย, มยแม้แต่ระดับสมาธิในระดับมังกรมนะฮะมังกรมทําให้ฤาษีติดอยู่ในป่าจนหมดหงอกกานก็ถือว่าสูงสุดแล้วเป็นสุขแล้วสิเลสมันสงบหมดแล้วะความเชื่อในอาราบุตรกาลามาโคตุตกะดาบทรามบุตรเนี่ยตลอดถึงการติดอยู่ในสมาธิทั้งหลายเนี่ย แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ดีกว่าดีกว่าระดับล่างแต่ถ้าถามมามีวัตฏะเป็นหมดไหมก็มีวัตตะเป็นหมนยังมีอาทินบยังมีโทษเพราะยังมีวัตฏะอยู่กิเลสังไม่หมดกรรมก็ยังอยู่ผลก็ไม่บากผลของกรรมก็ยังยังต้องมีอยู่ตลอดไปมนุษยกิเลสทั้งหลายมีการรมราคะคือความกำหนัดด้วยองนาจความใคร่ หรือในสิ่งที่ใคร่ถ้าเราสังเกตไว้สิ่งที่ใครหรือไม่ใครเนี่ยไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่เรามีราคาหรือไม่มีราคาแม้จะมีราคาถ้าเราไม่กําหนดด้วยความกําหนัดมันก็ไม่เกิดมันอยู่ที่เรากําหนดด้วยความกําหนัดโดยหลักการที่เช่นผู้เจ้าสุกบรรญัติสีต้นสิน จากนี้จากข้อวิกาณัจคีมาลาอุจารสินสินบทสดสินแปดนะให้เอาสังเกตว่าโดยโดยเนื้อหาของเขาเนี่ยไม่ได้บาปอะไรกินข้าวเย็นก็ไม่ได้บาปอะไรดูคนประดับประดาตกแต่งร่างกายดูข้นนากับร้องรบรรโคบุญตรีอะไรอะไรต่างๆนอนบนที่นอนสูงใหญ่เนี่ยมันไม่ได้บาปไม่ได้บาปสากุล แต่ว่ามันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการมาราคะจิตมันปกติอยู่เนี่ยไปดูการแสดงไปดูการเล่นการเต้นการร่ายรำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยุคของพระพุทธเจนะ้าในยุคนั้นก็เรียกว่ายุคกามาสุการิการโยกว่ายุคหาเดมมันก็เต้นยั่วความกันหนาดอะเหมือนกระ บ, บำระ บ, บำาหน้าท้องระ บ, บำาอียิปต์อะไรแต่แต่เนี้ยเราจะเห็นว่าแถบแขกทั้งหลายเนี่ย เื่อให้การยึดความกันนั่นแล้วก็ตัดตัญหาเห็นไหมว่าคนอย่างมืออย่างภาษาดิบุตรพระโมคคัลลานะก็ติดอยู่ตั้งนานเดินทางจากนาลันทาไปดูการแสดงมรสพภูบุญภูเขาที่กรุงรัชครึดไม่จะใกล้นะไม่ใช่นั่งรถไปยังนสมัยนี้นั่งเกวียนนั่งเสลียงไปนะเพราะอไรเพราะว่าจาดใดที่ยังมองไม่เห็นโทษเนีย่ยพูจาก พวันตาเถีนงโทษท่านก็พลิกจิตทีเดียวฮันหลังให้โดยไม่มองกลับไปอีกเลยแล้วก็บายหน้าไปสู่มรรคนิพพานได้ในที่สุดท่านบอกว่าพฤกษา ร, ราคาเป็นต้นเนี่ยเป็นสังโยชน์ก็คือว่าล่าําล่ามสัตว์มันก็เชื่อคือมันล่ามอะล่ามหรือผูกหรือมัดหรือตรึงคนเอาไว้ในสังสารวัตร เพราะตัวเขานั้นเป็นกิเลสนะเป็นกิเลสม่อมีมันก็สร้างกรรมสรางกรรมก็เป็นวิบากตกลงว่าก็หมุนหนะักกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากแล้วก็นำไปสู่พบหยาบกลางไปนี่ก็แล้วแต่พอใจจิตใจยินดีก็แล้วแต่อีกอ่ะนะว่าพบเนี่ย ม, ม, มันมันหมายความว่า อย่างนี้ทานเรื่องเทวดากันนนะเราจะเห็นว่านอนมันยินดีในชาติภพที่เป็นนอน์ในขณะที่เทวดาสงสารว่าเพื่อนมาเกิดเป็นนอนต้องการได้ช่วยเป็นเทวดาแต่นนแกนมีอัาธาก็ยินดีในความเป็นนอนะจะว่าอย่างไงเทวดาก็ต้องจำนนเหมือนกันโอภูเกันไม่ได้แล้วมันก็อยู่ที่ความเข้มข้นของอวิชชา ้วเห็นว่าพวกนี้โพธิธิพวกมาน่าโปตุสะเนี่ยเขาเข้มข้นสูงก็แสดงอวิชามันเข้มข้นก็ทำให้เหตุผลนติปัญญาก็จางเบาลงไปแล้วก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยผู้คล้องอยู่ในธรรมเป็นเครื่องคล้องมันมีสังโยชน์เป็นสภาพเพราะอะไรเพราะว่าแกไม่เห็นโทษ อถ้าไม่เห็นโทษอยู่ตราบใดเนี่ยพบภูมิมันเป็นที่ปรารถนาพบภูมิเป็นที่ปรารถนาเป็นที่พอใจของบุคคลทั้งหลายการเกิดในสวรรค์เนี่ยเป็นที่พอใจข้องคนมากแล้วคนก็จะไม่คิดต่อว่าสวรรค์สมมติว่าเป็นเทพประบุตรมีเทพธิดาห้าร้อยเป็นบริวารเอ๊มันสุขยังไงคือไม่ได้คิดต่อแต่ก็ชอบเป็น รัถนาความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นรัตนาเป็นเทพประมุติเทพธิดาเป็นสวรรค์ท่านนั้นท่านนี้ท่านนั้ น, นก็รัตนาพบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรียงลําดับเขาก็ประนีตกว่าเป็นมนุษย์แต่เพิ่งยังอยู่ในวัฏฏะเป็นมูลเพราะว่ายังมีกิเลสยังมีกรรยมรรยังมีพิบากิเการที่จะถ่ายถอนกรรมออกมาจากการสนุกสนานรื่นเริงแนวที่พระท่านไปเห็นมาในท่านไปรับรู้มาเนี่ย เรื่องใหญ่นเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันต้องผ่านระดับพระนาคามีไปแล้วถ้าไม่อย่างนั้นก็ยังพอจะยินดีในปวัตุการ์ทั้งหลายอยู่เพราะว่ากิเลสการยังไม่หมดเพียงแต่ว่าไม่ถึงกระทำทุจริตเพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นภายในจิตของตัวเอง นั้นท่านบอกว่าผู้สังโยชน์เนี่ยถ้าเรายังมีอยู่รับนั้นไม่ว่าในการไหนๆนี่ก็ข้ามไม่ได้แล้วก็ท่านก็เรียกชื่ออะไรกิเลสอีกเยอะนะฮะคือคือก็ไม่ต้องไปติดใจหรอกหมายความว่าถ้าเราข้ามสังโยชน์ได้กิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นทุกที่มีชื่ออย่างอื่นอะไรก็สั่งเขา มันก็ชื่อว่าละไปได้หมดท่านจึงบอกว่าโอคะาห่วงน้ำคือกิเลสมันกว้างขวางมันแน่นหนามันใหญ่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือโอค่าคือสงสารสาขอนห่วงน้ำคือการหมุนบนในสังสารวัฏเนี่ยนั่นเป็นเรื่องใหญ่ เพราะว่าถ้าเราไม่คิดให้ชัดเจนแล้วยังไงมันก็ติดยังไงก็ยึดติดอยู่อย่างที่เคยอย่างที่เคยยกตัวอย่างเนี่ยว่าจริงๆก็เคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆคนในบ้านเราเนี่จะหมวนเยอะมากที่ปรารถน า, าศาสนาประสีอันก็เกิดพบาศาสนาประสีอันไม่รู้จะเอาไปทำอะไร พระไรพระว่าในศาสนาภพิจารณ์ทั้งหมดมีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนาปัจจุบันมันก็คล้ายๆกับสิบเบีย้ยที่อยู่ในมือและจะทิ้งสิบเบีย้ยที่อยู่ในมือเพื่อไปเอาสิบเบีย้ยที่อยู่ไกลมือเป็นการสูญเสียเวลาสูญเสียโอกาสที่ต้องแบกไหวอยู่ในสังสารวัตรอีกเป็นนานๆตัวการใหญ่ก็คืออะไรคืออัศถาคือยินดี ยินดีในสิ่งสัมผัสทั้งหลายอ่ะจะหยาบกะกลางจะละเอียดก็ไม่รู้่คือขึ้นอยู่กับภูมิจิตของคนแต่ละคนที่มีต่ออารมณ์เหล่านั้นใ น, นเรื่องของกามที่พระท่านไปรไปรับทราบมาแล้วมากราบทูนในพระพุทธเจ้าเนี่ย พูดไปพูดมามันไม่ใช่เหตุการณ์เมื่อสองพันรอกว่าปีแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้มีอยู่ทุกส่วนของบ้านของเหมืองของโลกเพราะว่านี้คือคือกามโลกกามภพกามภูมิจิตมันวิ่งอยู่ในกามวเจระภูมิเขาก็เป็นเขา อ, อย่างนั้นเองจับใจที่ยังไม่เห็นโทษปัญหาก็าจะติดตามมาอีกเป็นนั้นมากทึกฟังแต่ยร เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูรในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี